ครบทแปลเรื่องที่148เรื่องมานทิดาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่โพธิมันทะสถานทรงปรารพทิดามานตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัศจะจิตังเป็นต้นตอนปรามหาสามีให้ลูกสาว ก็พระศัสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวรตีแล้วตราดแก่พราหมณ์ชื่อมาคันธิยะในแคว้นกุรุอีกทราบว่าในแคว้นกุรุธิดาของมาคันธิยาพราหมณ์ชื่อว่ามาคันธยาเหมือนกันได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉมพราหมมหาศาลเป็นอันมาก และเหล่าขัตติยามหาศาลอยากได้นางมาคันธียานั้นจึงส่งข่าวไปแก่มาคันธิยะว่าขอจงให้ทิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดแม้มาคันธิยาพราหมณ์ก็ห้ามพราหมมหาศาลและขัตติยามหาศาลเสียทั้งหมดเหมือนกันว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ทิดาของข้าพเจ้าต่อมาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่ง พระศัสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นมาคันเดียพรามนั้นเข้าไปภายในแห่งข่ายคือพระยานของพระองค์จึงทรงใคร่ครวว่าจากมีเหตุอะไรหนอได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคและผลทั้งสามของพรามและนางพรามณีฝ่ายพรามก็บำเรอฝ่ายอยู่เป็นนิษภายนอกบ้านพระศัสดาได้ทรงถือบาทและจีวร เสด็จไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู่พราหมตรวจดูรูปสิริของพระศัสดาพลางคิดว่าชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มีบุรุษคนนี้เป็นผู้สมควรแก่ทิดาของเราเราจะให้ทิดาแก่บุรุษคนนี้แล้วกราบทูลพระสัสดาว่าสมณะเรามีทิดาอยู่คนหนึ่ง เรายังไม่เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่นางจึงไม่ได้ให้นางแก่ใครๆเลยส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นางเราใคร่จะให้ทิดาแก่ท่านทำให้เป็นหญิงบาเรอบาด ท, ท่านจงรออยู่ในที่นี้แหละจนกว่าเราจะนำทิดา น, นั้นมาพระศาสดาทรงสับถ้อยคาของเขาแล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้าม ตอนรอยพระบาทจะปรากฏเพราะทรงอธิษฐานฝ่ายพราหม์ไปเรือนแล้วบอกกันางพรามณีว่านางผู้เจริญวันนี้เราเห็นบุรุษผู้สมควรแกท่ทิดาของเราแล้วพวกเราจะให้ทิดาแก่เขาให้ทิดาตกแต่งกายแล้วได้พาไปอย่างที่นั้นพร้อมด้วยนางพรามณีแม้มหาชนก็ตื่นเต้น พากันออกไปดูพระสัสดาไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่พราหมณ์บอกไว้ทรงแสดงเจดีย์คื อ, อรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้วได้ประทับยืนเสียในที่อื่นทราบว่าเจดีย์คื อ, อรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่อนนทนจงเห็นเจดีย์รอยเท้านี้ แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นชื่อว่าผู้ที่จะเห็นเจดีคือรอยพระบาทนั้นในที่ที่เหลือไม่มีพราหมณ์ถูกนางพรามณีผู้ไปกับตนถามว่าบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนจึงบอกว่าฉันได้สั่งเขาไว้แล้วท่านจงรออยู่ที่นี้พลางมองหาอยู่พบรอยพระบาทแล้วจึงชี้ว่า นี้อรอยเท้าของเขาตอนรอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลักษณะของคนนางพรามณีนั้นกล่าวว่าพรามนี้ไม่ใช่อรอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคกรรมเพราะความที่นางเป็นคนฉลาดในมนเครื่องทำนายลักษณะเมื่อพรามพูดว่านางผู้เจริญเจ้าเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำสมณะนั้น เราบอกแล้วว่าเราจะให้ธิดาแก่เขาถึงเขาก็รับคําของเราแล้วกล่าวว่าพราามท่านบอกอย่างนั้นก็จริงถึงดังนั้นรอยเท้านี้เป็นรอยเท้ า, อทาของผู้หมดกิเลสทีเดียวดังนี้แล้วกล่าวคาถานี้ว่ารัตตะหิอุกุติกังปะดังภเวดุทศะ หติสหสานุปีลิตังมุนหะสะหติอวั ก, กันทิตังประดังวิวัตต์ฉะดัสะอิดะมีดีสั่งประดังก็คนเจ้าราคะพึงมีรอยเท้ากระโยงเวาวกลางคนเจ้าโทสะย่อมมีรอยเท้าอันส้นบีบหนักส้นคนเจ้าโมโห ย่อมมีรอยเท้าจิกลงนักทางปลายเท้าคนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้นี้ทีนั้นพราหมณ์จึงบอกนางพระมณีว่านางผู้เจริญเจ้าอย่าอึงไปจงเป็นผู้นิ่งมาเถิดไปพบพระศัสดาแล้วจึงแสดงแก่นางพราหมณีนั้นว่า นี้คือบุรุษคนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัสดาทูลว่าสมณะเราจะให้ธิดาพระสัสดาไม่ตรัสว่าเราไม่ต้องการด้วยธิดาของท่านกลับตรัสว่าพราามเราจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจากฟังไหมเมื่อพราามทูลว่าสมณะผู้เจริญท่านจงกล่าว ข้าพระเจ้าจักฟังจึงทรงนำเรื่องอดีตตั้งแต่ครั้งออกมหาพิเนศกรมมาแสดงแล้วก็ถาโดยย่อในเรื่องนั้นดังต่อไปนี้พระมหาสัตย์ทรงละสิริราชสมบัติแล้วทรงขึ้นม้ากันทกะมีนายช น, นะเป็นสหายเสด็จออกมหาพิเนศกรม เมื่อมานยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระนครกล่าวว่าสิทธาท่านจงกลับเสียเถิดแต่วันนี้ไปในวันที่เจ็ดจักรรัตนะจักรปรากฏแก่ท่านจึงตรัสว่ามานถึงเราก็รู้จักรัตนนั้นแต่เราไม่มีความต้องการด้วยจักรรัตนนั้นมานเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไรพระมหาสัตว์เพื่อประโยชน์แก่สัพพัญยุตยานมานถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้ไปบรรดาวิตกทั้งสามมีการมาวิตกเป็นต้นท่านจะต้องตรึกวิตกแม้สักอย่างหนึ่งเราจะรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านตั้งแต่นั้นมามานั้น คอยเพ่งจับผิดติดตามพระมหาสัตว์ไปเจปีแม้พระสัสดาทรงประพฤติทุกรกิริยาสิ้น6ปีทรงอาศัยการกระทำความเพียรของบุรุษเฉพาะพระองค์ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญญุตยานสเสวยวิมุตติสุขที่ควงไม้โฟในสัปดาห์ที่หประทับนั่งที่ควงไม้อาชา ป, ปาละนิโครธ ตอนมานเสียใจเพราะพระองค์ตรัสรู้ในสมัยนั้นมานถึงความโทมนัสแล้วนั่งที่หนทางใหญ่พลางรำพึงว่าเราติดตามมาตลอดการมีประมาณเท่านี้แม้คอยเพ่งจับผิดก็ไม่ได้เห็นความพลังพลาดอะไรอะไรของสิทธะนี้บัดนี้เธอก้าวล่วงวิสัยของเราไปเสียแล้วทีนั้น ทิดาของมานั้นสามคนเหล่านี้คือนางตัณหานางอรดีนางราคาดํารีว่าบิดาของเราไม่ปรากฏบัดนี้ท่านอยู่ที่ไหนหนอมองหาอยู่จึงเห็นบิดานั้นผู้นั่งแล้วอย่างนั้นจึงเข้าไปหาแล้วแต่ถามว่าคุณพ่อเพราะเหตุไรคุณพ่อจึงมีทุกข์เสียใจ มานนั้นจึงเล่าเนื้อความนั้นแกท่ทิดาเหล่านั้นลำดับนั้นทิดาเหล่านั้นจึงบอกกับมานผู้บิดานั้นว่าคุณพ่อคุณพ่ออย่าคิดเลยพวกดีฉันจักทำเขาให้อยู่ในอานาจของตนแล้วนำมามานแม่ทั้งหลายใครๆก็ไม่อาจทำเขาไว้ในอานาจได้ทิดา คุณพ่อพวกดิฉันชื่อว่าเป็นหญิงพวกดิฉันจักผูกเธอไว้ด้วยบ่วงมีบ่วงคือราคาเป็นต้นแล้วนำมาในบัตรนี้แหละคุณพ่ออย่าคิดเลยแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระสัสดากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจักบมเรพระบาทของพระองค์ตอนที่ดามาน ประเล้วปลาโลมพระศัสดาพระศัสดามิได้ทรงใฝ่พระหฤทัยถึงท่อยคําของทิดามานเหล่านั้นเลยไม่ทรงลืมพระเนตรทั้งสองขึ้นดูเลยพวกทิดามานคิดกันอีกว่าความประสงค์ของพวกบุรุษสูงสูงต่ำต่ำแลบางพวกมีความรักในเด็กหญิงรุ่นทั้งหลาย บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในปฐมวัยบางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในมัชิมวัยบางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในปชิมวัยพวกเราจากประเราประโรมเธอโดยประการต่างๆงคนหนึ่งหนึ่งนิรมิตอัตภาพได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโดยสามารถแห่งเพศมีเพศเด็กหญิงรุ่นเป็นต้น เป็นเด็กหญิงรุ่นทั้งหลายเป็นหญิงอย่างไม่คลอดคลอดแล้วคราวหนึ่งคลอดแล้วสองคราวเป็นหญิงปูนกลางและเป็นหญิงแก่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่สมณะพวกหม่อมฉันจากบำเรอพระบาททั้งสองของพระองค์ดังนี้ถึงหกครั้งพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงฝ่ายพระหฤทัยถึงถ้อยคําของทิดามานแม้นั้นโดยประการที่ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมด้วยประการชนี้ล่าดับนั้นพระศาสดาตรัสกับทิดามานผู้ติดตามมาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเจ้าจงหลีกไปพวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้ การทำชื่อเห็นปานนี้ต่อหน้าของพวกที่มีราคะไม่ไปปราดแล้วจึงจะควรส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นได้แล้วพวกเจ้าจากนำเราไปในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรเล่าดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทพระคาถาเหล่านี้ว่ายัศจิตังนาวจิยติ ชิตมัสสโนยาติโกจิโลเกตังบุทธมะมนันตะโคจรังอะปังเกนปะปเดนะเนสถะยัสสะจาลิณีวิสติกาตันหานติกูหินจิเนตเวตังบุทธมะมนันตะโคจรังอะปังเกนปะปเดนะเนสถะกิเลชาติ มีราคาเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลสหน่อยหนึ่งในโลกย่อมไปหากิเลสชาติที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้พวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไร ตัณหามีข่ายซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในพบไหนๆพวกเจ้าจากนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรตอนแกะอัดบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่ายัศจิตังนาวจิยติ ความว่ากิเลสชาติมีราคาเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วด้วยมักนั้นๆั้นอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้คือชื่อว่าชนะแล้วไม่ดีหาไม่ได้เพราะไม่กลับฟุ้งขึ้นอีกบทว่าโนยาติตัดเป็นนะอุยาติแปลว่าย่อมไม่ไปตาม อธิบายว่าบรรดากิเลสมีราคาเป็นต้นแม้กิเลสอย่างหนึ่งไรในโลกชื่อว่ากลับไปข้างหลังไม่มีคือไม่ติดตามกิเลสชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วบทว่าอ น, นันตะโกจรังความว่าผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดด้วยสามารถแห่งพระสัพพัญญุตยาน มีอารมณ์หาที่สุดไม่ได้สองบทว่าเกณประเดนะเป็นต้นความว่าบรรดารอยมีรอยคือราคาเป็นต้นแม้รอยหนึ่งไม่มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพวกเจ้าจากนำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไปด้วยร่องรอยอะไรคือก็แม้ร่องรอยสักอย่างหนึ่ง ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้านั้นผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรวินิจฉัยในคาถาที่สองขึ้นชื่อว่าตัณหานั้นชื่อว่าชาลินีเพราะวิเคราะห์ว่ามีขายบ้างมีปกติทำซึ่งขายบ้างเปรียบด้วยขายบ้างเพราะอาจว่า รวบรัดตรึงตราผูกมัดไว้ชื่อว่าวิสติกาเพราะเป็นธรรมชาติมักสร้างไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเพราะเปรียบด้วยอาหารอันมีพิษเพราะเปรียบด้วยดอกไม้มีพิษเพราะเปรียบด้วยผลไม้มีพิษเพราะเปรียบด้วยเครื่องบริโภคมีพิษอธิบายว่า ตั้นหาเห็นป่านนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในพบไหนๆพวกเจ้าจาักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นั้นมากแม้ทิดามานก็อันตรทานไปในที่นั้นนั่นแลพระสัสดา ขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามาคันธียะในการก่อนเราได้เห็นธิดามาทั้งสมเหล่านี้ผู้ประกอบด้วยอัตภาพเช่นกับแท่งทองไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นตน้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมธุลเลยก็สรีระแห่งธิดาของท่านเต็มไปด้วยซากศพ คืออาการ32เหมือนหม้อที่ใส่ของไม่สะอาดอันตรการตาณาภายนอกแม้ถ้าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดไสและธิดาของท่านนี้พึงยืนอยู่ที่ธรณีประตูถึงอย่างนั้นเราก็ไม่พึงถูกต้องสรีระของนางด้วยเท้าดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า ดิสวานะตันหังอรารตินจราคังนาโฮสิชันโดอปิเมทุนสมิงกิเมวิดังมุตตกรีสปุนนางปาดาปินังสัมพุสิตุงณอิเชแม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วเพราะเห็นนางตันหานางอรดีนางราคาเพราะเห็นสรีระแห่งธิดาของท่านนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีดเราจะมีความพอใจในเมถุนได้อย่างไรเราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแต่ต้องสรีระธิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเทา้าในเวลาจบเทศนาเมียผัวทั้งสองตั้งอยู่ในอนาคา ม, มิผลดังนี้แลเรื่องมารธิดา